อ่าแล้วเดี๋ยวต่อไปเราฝึกในการที่จะเจริญฝึกฝึกคิดให้เมตตาเกิด <c oughs> มีวิธีการแบบนี้นะว่าอย่างที่ได้บอกได้บอกเกี่ยวกับเรื่องของอียาบท คือในในเมตตาปริตมันจะมีคำพี์อยู่วิสุทธิมรรคแล้วก็ในกรณียเมตตาสูตรในเมตตาปริศแล้วก็ในปฏิสัมพิธามรรคก็จะมีคำในการที่ไปสาธยายหรือบริกรรมจริงๆก็คือตัดจากภาษาบาลีแปลเป็นภาษาไทยแล้วก็ามาใช้เป็นองค์บริกรรม เดี๋ยวจะไปบอกว่าไม่มีที่ไปที่มาจะได้สบายใจนิดหนึง่งทีนี้ในในเมตตาปริศที่บอกไว้เกี่ยวในเรื่องการบริกรรมในเวลาเดินเวลาเดินจงกรมเวลาเดินจงกรมที่บอกว่ายกเท้าขึ้นเนี่ยเท้าที่ยกขึ้ น, นสุกกายใช่ไหมพอยื่นเท้าไปข้างหน้า ก็สุขใจพอเท้าถึงพื้นก็ปลอดภัยสุขกายสุขใจปลอดภัยสุขกายสุขใจปลอดภัยเนี่ยนี่ตามตามในเมตตา ร, ริที่จริงก็ตัดคํามาใช้เท่านั้นเองแต่ทั้งหมดเหล่านี้ก็คือต้องการให้มีการมีองค์บริกรรมเพื่อให้มีใจเนี่ยที่เป็นไปกับเมตตาเนาะ ทีนี้ในองค์บริกรรมเดินเนี่ยในการเดินที่กำหนดหรือบริกรรมเอามาใช้ในการนั่งก็ได้แต่มันมีหลายที่นะในการนั่งเนี่ยอยากให้สัมพันธ์กับหายใจเข้าหายใจออกก็ได้อย่างยกตัวอย่างเช่นว่าหายใจเข้าแล้วหายใจออก หายใจออกจะใช้คำว่าสุกกายกันเข้าก็สุกกายออกก็สุกใจเข้าก็สุกใจเวลาหายใจออกก็ปลอดภัยเข้าก็ปลอดภัยอย่างนี้ก็ได้แต่ทั้งหมดเหล่านี้คือการบริกรรมนะแต่ในใจจริงๆให้เราเข้าใจเมตตาให้เข้าใจคำว่าเมตตาคือรักปราถาท่านนึกถึงตนเองเนี่ยสุกกายก็น้อมความสุกกายให้กับตนเองเนี่ย สุขใจก็น้อมถึงความสุขให้เกิดขึ้นที่ใจในตนเองแล้วก็ปลอดภัยก็คือแปลว่ากระแสชีวิตที่มีความปรารถนาดีกับตนเองให้ความปลอดภัยให้กับตนเองในกระแสชีวิตตนเองพอไหวไหมหายใจเข้ายังไม่บริกรรมพอหายใจออกก็สุขกายเข้าก็สุขกายออกก็สุขใจเข้าก็สุขใจออกก็ปลอดภัย ข้าก็ปลอดภัยลองทาอย่างนี้นะอ้าวเลิมฝึกเดือจะนั่งแบบอ e ียบทให้เหมาะสมที่สุดเอวิธีการนั่งนี่นะอย่าไปนั่งงอตัวนะเดี๋ยวจะทำให้สรีละเสียหลังเนี่ยนะนั่งให้สบายๆนั่งในท่าที่เหมาะสมนะ หรือถ้าใครที่มีการบริกรรมที่ตนเองถนัดทานานในด้านการเจริญเมตตาก็ไม่เป็นไรแต่ไม่มีให้ใช้แบบนี้หายใจออกออหายใจเข้าที่แรกหายใจเข้าก็ยังไม่ต้องบริกรรมอะไรเพราะหายใจออกก็สุกกายน้อมไปที่หายใจเข้าก็สุกกาย หายใจออกก็สุขใจหายใจเข้าก็สุขใจหายใจออกก็ปลอดภัยหายใจเข้าก็ปลอดภัยองค์บริกรรมเหล่านี้เราไปใช้เดินได้ด้วยแต่ทั้งหมดเหล่านี้เป็นการนำร่องเพื่อให้ใจเป็นไปกับเมตตาให้เกิดความรักความปรารถนาดีเอื้ออร่รให้สภาพจิตของตนเองเป็นไปกับความเมตตาจริงๆนะ ทำเมตตาทำความรักให้เกิดขึ้นทั้งหมดเหล่านี้ถ้าถ้าเมตตายังไม่เกิดยังไม่ต้องให้ใจเป็นเมตตาจริงๆให้กุศลเกิดขึ้นจริงๆเนียนึกถึงตนเองแล้วก็รักรักไปตนเองจริงๆถ้ามันง่วงทำยังไงลืมตาอย่าเพิ่งหลับ เดี๋ยวหลับเลยเยเนาะเพราะเพราะทำอย่างนี้จิตมันสบายเดี๋ยวหลับไปเลยนะเดี๋ยวเผอบอกว่าเออตอนนี้ช่วงเวลานี้เราจะฝึกตนเองนะเราจะฝึกตนเองเพื่อให้ใจนั้นเป็นไปกับเมตตาจริงๆนะนั่นแหละที่บอกหายใจเข้าในตามตามเมตตาปริสนะเป็นคาถาที่สามในเมตตาปริสนะเวลาเราสวดกรณียเมตตาคุสเรนายันตังในคาถานะี่ ก็คือหายใจเข้าไม่ต้องบริกรรมหายใจออกก็สุกกายหายใจเข้าก็สุกกายนึกถึงตัวเองแล้วก็หายใจออกก็สุขใจหายใจเข้าก็สุขใจหายใจออกก็ปลอดภัยเข้าก็ปลอดภัยให้มีความรัก ความปรารถนาดีเกิดขึ้นในใจจริงๆในขณะนั้นแล้วก็ยังเมตตาให้เกิดขึ้นให้ไหลติดต่อและต่อเนื่องทำจิตให้เบิกบานด้วยนะจิตเบิกบานจิตปโปร่งเบาด้วยทำจิตให้ปโปร่งเบาทำจิตให้เบิกบานทำจิตให้ล่าเลงให้ผ่องใสห้ามงอยเหงาเศร้าซึม ห้ามหดหู่ท้อถอยทำจิตให้ล่าเลิงให้เบิกบานทำเมตตาจิตให้เกิดขึ้นแล้วก็ถ้าจะไม่ให้สัมพันธ์กับลมหายใจก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าใครต้องการให้สัมพันธ์กับลมหายใจก็ได้เอาการหายใจเข้าเหตุผลที่ต้องเอาการหายใจเนี่ยเพื่อจะได้เตือนไม่ให้ลืมไม่หลงลืมถ้า ง, งั้นเดี๋ยวหลงลืมก็เลยให้สัมพันธ์กับหายใจซะเลยแต่จริงเราคิดทั่วไปคิดถึงอัตภาพ ถึงความสุกกายหายใจหายใจเข้าหายใจออกสุกกายหายใจเข้าสุกกายหายใจออกสุกใจหายใจเข้าก็สุกใจหายใจออกก็ปลอดภัยจะเข้าก็ปลอดภัยเนี่ยให้บริกรรมให้ใส่ใจให้มนาสิการอย่างนี้เรื่อยๆเรื่อยๆไปจนกว่าจะมีความสุข ความสงบความโปร่งโล่งเบาที่เกิดขึ้นจากการบริกรรมนี้จริงๆนะี่ฝึกในการที่จะทำให้เกิดให้เกิดได้จริงๆนะเราจะได้รู้ว่าเออเนี่ยเราเราต้องการจะทำเมตตาจิตให้เกิดขึ้นจริงๆให้นึกถึงว่าในเมตตาปริศนี่พระพุทธเจ้าทรงประทานให้กับภิกษุ ให้ไปเจริญให้ไปให้ไปฝึกแล้วก็ป้องกันมนุษย์ทั้งหลายไม่ให้เบียดเบียนเป็นต้นด้วยแล้วก็อันตรายภายในก็คือราคาโทสะโมหพะพิจารคาภายในค่าศึกภายในทุจริตทั้งหลายจะได้ไม่มากร่ากลายกระแสชีวิตของเราทั้งหลายเนี่ยตรงเนี้ยให้เราทั้งหลายเพียรพยายามในการฝึก ถ้ามาจะหยุดเสียงให้เราได้มีโอกาสฝึกกันสัก1ิบกว่านาทีเนยอาจจะทดลองดูว่าเออเอาให้เราได้ตั้งใจในการที่จะทำ